เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีเพื่อนมาอำลาเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณจิมมี่อธิวัฒน์ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครเมื่อสามปีที่แล้ว โดยคุณจิมมี่ได้เล่าว่าคืนหนึ่งหลังจากที่ผมและเพื่อนๆ อ, อีกหกคนกำลังจะกลับจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่อยู่ในตัวอำเภอซึ่งวันนั้นกลุ่มของเพื่อนผมได้นัดกันมากินเลี้ยงฉลองในวันรับใบปริญญาบัตรทุกคนก็กินดื่มกันไปอย่างสนุกสนานจนเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงดึกแล้ว ต่างคนก็ต่างเมาแล้วจูจ่ๆก็มีเพื่อนหนึ่งในกลุ่มมันชื่อโจได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวแฟนของโจโทรมาบอกว่าให้รีบกลับเพราะก่อนมาโจไม่ได้บอกกับแฟนว่าจะมาเลี้ยงฉลองดื่มกินกับเพื่อนๆ เ, เธองอนและสั่งให้โจรีบกลับเดี๋ยวนี้ หลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วโจมันก็เดินลุกออกไปจากโตะ๊ะโดยไม่เอ่ยปากบอกพวกผมสักคำพวกเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็นึกว่าโจมันเดินไปเข้าห้องน้ำเฉยๆแต่ไม่ใช่โจรีบบึงรถกลับไปหาแฟนของมันที่บ้านในคืนนั้นหลังจากที่เมากันมากแล้วพวกผมจึงตกลงกันว่า จะมานอนที่หอพักของผมเมื่อพวกเรากลับมาถึงหอพักบางคนก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบางคนก็หลับไปด้วยความเมาเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เวลาในตอนนั้นก็ห้าทุ่มกว่าแล้วไอ้โจกลับมาที่ห้องของผมมันบอกว่าจะมาลาไปอยู่ที่ที่ห่างไกล พวกผมได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าโจมันเมาจึงพูดไปเรื่อยเปื่อยดังนั้นผมจึงพูดทีเล่นทีจริงขึ้นมาว่าจะไปทั้งทีก็ต้องฉลองกันต่ออีกสักหน่อยดีเพื่อนแต่เสียอย่างเดียวคือตอนนี้เล่าหมดแล้วเนี่ยสิพอได้ฟังดังนั้นไอโจมันก็เหมือนจะรู้ใจ รีบอาสาออกไปซื้อเครื่องดื่มต่างๆให้แล้วเดินเปิดประตูห้องออกไปหลังจากที่โจเดินออกไปไม่นานนักก็มีสายโทรศัพท์เข้าที่มือถือของผมผมรับสายแบบงงๆว่าเบอร์ใครโทรมาหาพอรับสายจึงรู้ว่าคนที่โทรมานั้นเป็นพยาบาลปลายสายเธอถามผมว่า ใช่เพื่อนคุณโจโหรือเปล่าคะผมจึงตอบว่าใช่พยาบาลได้บอกกับผมว่าคุณโจประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักไปชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางเสียชีวิตขาที่ตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะผมได้ฟังดังนั้นก็อึง้งรู้สึกเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึงนึกว่าอาจจะมีใคร มาแกล้งอำพวกผมเล่นแน่ๆผมจึงเปิดลำโพงโทรศัพท์ให้เพื่อนทุกคนได้ฟังด้วยเพื่อความแน่ใจผมจึงถามย้ำอีกครั้งว่านี่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคนที่บอกว่าเป็นพยาบาลที่พูดอยู่ปลายสายนั้นก็บอกว่าเรื่องจริงตอนนี้พวกเราใจคอไม่ดีเริ่มเชื่อกันขึ้นมาบ้างแล้ว ผมจึงถามเธอไปอีกว่าเพื่อนผมเสียเวลาเท่าไหร่พยาบาลตอบว่าเพื่อนคุณเสียตอนสี่ทุ่มเมื่อได้ฟังดังนั้นผมกับเพื่อนอีกห้าคนจึงอุทานขึ้นมาพร้อมกันว่าเฮ้ยแล้วเมื่อสิบนาทีที่แล้วที่เราเจอก็ผีนะสิวะผีไอโจใช่ไหมวันนั้นคิดแล้วก็ขนลุกว่าผีอะไร จะมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนแบบนี้ตอนนี้พวกผมต่างก็ส่างเมาบางคนก็ไปหลางหน้าให้รู้สึกตื่นตัวต่างคนต่างสับสนว่านี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าจะติดต่อหาแฟนโจเขาก็ไม่ตอบไม่อ่านไลน์จะโทรถามพ่อแม่โจก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราทุกคนจึงค่อยๆขับรถ พากันไปยังโรงพยาบาลตามที่มีผู้หญิงโทรมาบอกเมื่อไปถึงก็พบว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้โจมันขับรถไปชนตายก่อนจะถึงบ้านแฟนเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วโจคนที่ผมกับเพื่อนๆได้เห็นและได้คุยกันอยู่ในห้องนั้นละ่ะคือใครหรืออะไรกันแน่เรื่องนี้ ยังหาคำตอบไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวลหลอนจากคุณจิมมี่ธนวัฒน์ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลีลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณ มาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fan Page หรือว่าที่อีเมลที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ